ดเดี๋ยวเราไปเคสตัดดีกันเลยวันนี้เป็นเคสซี่965ผมเป็นนักเกรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาจากเมืองกีวีประเทศนิวซีแลนด์ ผมได้รู้จักสู่อมิบัตาธรรมโอเรว่าเมื่อพฤศจิากายน 2548. ตอนผมได้รู้จัก DMC สื่อสีขาวที่กำลังทรงคลื่นใจใสๆวิทั่โลกผมจึงติดตั้งจาน ร, รับสัญญาณ DMC ในทนันทีเวลาผมไปทำงานผมจะอัดวิดีโอไว้ที่บ้านเพราะผมไม่อยากจะพลาดรายการดีๆที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลกแม้แต่ตอนเดียว ที่ชอบไม่สุดก็คือรายการเคสตัดีถูกต้องยาผมอยากบอกว่า d m เมซีช่องนี้ดีจริงๆค ร, รับผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเธอเป็นชาวนิวซีแลนด์เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจไอผมต้องส่งเคสตัดีมา และขายาดเอี่ยวเรื่องของผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนอรักของผมเธอเป็นชาวนิวซีแลนด์เธอมาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านอาหารของผม mm. เรามีความสนิทสนมกันมากทิ่สำคัญคือเธอเกิดวันเดือนปีเดียวกันกับผม <Yeah. S 1> และยิ่งทำให้ผมปลื้มใจทัพทวี เราบอกวันเดือนปีเกิดของเราทั้งสองนั้นตรงกับวันเดือนเกิดของพระเด็จคุณหลวงพ่อครับอือคือหยิบสองมิถุนายน<อ>วันหล่อของโลกครับอือวันหล่อของโลกอ อ, อ, อกพระธรรมกายไปจำตัวสามีองเธอมีเชื้อสายชนเผ่ามารีนับถือศาสนาคริส เธอมีความสนใจในประเทศไทยและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมเราสามคนมักจะชวนกันไปฝึกสมาธิตามวัดไทย<ม>ในประเทศนิวซีแลนด์อยู่เสมอมุ่งสวาคม2548ที่ผ่านมาเธอเลด้วยล้มป่วยด้วยโรคลรคมีเ ม, มะเร็งในเม็ดเลือดขาวรลายปี2548หมอบอกว่า เธอจะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์พระโรคของเธอมาถึงระยะสุดท้ายแล้วสองสามีภริยาก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากทางออกสุดท้ายคานึกถึงเพื่อนชาวพุทธคือตัวผมเองเร้องก็ส่งคำถามว่าหากมีคนมาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้คุณจะต้องตาย ชาพุธเขาเตรียมตัวกันอย่างไรออืมเออชาพุธเขาเตรียมตัวกันอย่างไรชาพุธนี่เขาเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เกิดนี่และจ้ะคือเขาจะศึกษาว่าความตายคู่มากับการเกิดแต่เป็นการเกิดและตายอย่างต่อเนื่องที่เราสังเกตไม่ออกเส้นหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไป เซนใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างต่อนื่อเงินใบอย่างนี้แล้วเราก็ถูกสอนว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่ว่ายากดีมีจนล้วนตาย ห, หมดเราจึงคุ้นเคยกับคำว่าตายและเราก็ถูกสอนให้เตรียมตัวตายอย่างถูกหลักวิชาเวลารู้สู่ชีวิตว่า ใจใสก็ไปดีใจหมองก็ไปไม่ดีเราจึงเตรียมตัวตายในการสร้างสมคุณงามความดีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเพื่อที่ว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายในวันนั้นภาพแห่งความดีของเราจะได้มาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตรและใจเราจะใสมีความสุขเราเห็นภาพแห่งความดีนั้น จนเรามีจิตใจหยุดเหนือความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว่าไม่กลัวตายตอนนั้นคตินี้มิจจะใสสว่างและเราก็พร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกไปมีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วทิชาพูดเขาเตรียมตัวกันมาอย่างนี้นี่ก็าทำทานรักษาศีเลเจริญภาวนากันอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีคำถามอย่างนี้ผมยังโทรไปนัดหมายพระอาจารย์เพื่อไปเยี่ยมเธอแต่วันขึ้นใหม่หนึ่งมกราคม2549พระอาจารย์ก็ได้เมตตาสอนให้เธอรู้จักการทำสมาธิบนเตียงคนป่วยให้กำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายเพราะโรคร้ายมันเกิดขึ้นกับเราก็ช่างมันให้เป็นเรื่องของหมอแต่จิตใจของเราต่างหากที่เราจะต้องดูแลรักษา จนทำให้เธอและสามีมีกันบางใจพอรู้ว่าคุณนั้นก็เคยตายแล้วแม้เธอจะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยเธอกัดฟันต่อสู้ความเจ็บปวดพยุงตัวลุกจากเตียงแล้วไปนั่งรถเข็นไปกดเงินจากตู้เ t ทมแล้วนำเงินนั้นมาอธิษฐาน แล้วก็ถวายพระอาจารย์พระสร้างพระธรรมกายไปจำตัวด้วยมือของเธอเอง<า>อีกทั้งร่วมบุญเสาแก้วพันปีทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยปรากฏว่าเธอสามารถมีชีวิตยืนยาวต่อมาได้มากกว่าที่หมอกำหนดไว้19มกราคมวันนั้นอาการของเธอสุดหนักต้องน้ำส่งโรงพยาบาลด่วน ครั้งนี้หมอเห็นแล้วก็ไม่รับไม่รับรักษาและบอกอ ญ, ญาติว่าเธอคองเหลือเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เธอยังมีสติและมีกำลังใจดีมากได้บอกน้องชาของเธอเนี่ยบอกว่าให้เป็นนิมนต์พระมาที่บ้านที่ไม่ใช่พระไม่ต้องไปนิมนต์มาขณะที่ญาติและเพื่อนสนิทมารวมกันพร้อมหน้า เธอก็ยังมีสติและก็บอกทุกคนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันจะขอร้องเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจะหลับตาลาโลกขอจัดงานศพฉันแบบชาวพุทธด้วยเถอะฉันขออย่างเดียววันนั้นพระอาจารย์ประป ร, ะสรัสรสุธรรมสุดทัมโมอืมดังอีกแล้ว เดินทางกลับจาก น, นครซิดนีย์ถึงสนามบินโอเกแลนด์เวลาเที่ยงคืน mm hmm. กระมิศครอบครัวฮาร์ดก็ไปรับ <Yeah. S 1> และก็รีบตรงมายังบ้านของเธอ mm hmm. ตอนนั้นทุกทุกคนอยู่ในช่วงบรรยากาศที่เศร้าโศกเสีย ใ, ใจและอาจารย์สุธมโมก็ได้ขอร้องให้ทุกคนช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีๆ mm hmm. อย่าเศร้าโศก ให้ทำใจให้ใสๆและช่วยกันทำอธิษฐานจิตแล้วก็ตรึกอรลึกนึกถึงวระธรรมการไปจำตัวที่เธอสร้างบางครั้งเธอก็สับกระส่ายทุกคนก็พร้อมใจกันเปรีงเสียงดังๆให้เธอได้ยิน โ, <อ>โดยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหัง อ, อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เธอได้ยิน แล้วพระอาจารย์ก็สวดอิติปิโสพระวารสามจบสิ้นเสียงสวดมนต์เธอมีอาการสงบแล้วก็หลับไป<อ>ซึ่งพระอาจารย์ก็ยินยันกับสา ม, มีและญาติของเธอว่าให้ทําใจให้สบายเธอยังอยู่กับพวกเราจะวิตกกับคําบอกเล่าของหมอหมอก็วินิจฉัยไปตามหลักวิชาเท่านั้นแต่ตอนนี้ให้ญาติทําใจให้ใส นึกถึงความดีปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเธอมีอาการดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตยืนยาวมามากกว่าที่หมอกําหนดได้อีกครั้งหนึ่งนับจากวันนั้นเธอได้พาครอบครัวทําสมาธิพร้อมกันทุกคืน<า>นี่เห็นไหมจ๊ะ oh. ทําสมาธิพร้อมกันแปลว่าตอนนี้เธอพร้อมเสมอแล้วแล้วทุกคนในครอบครัวก็พร้อมแล้ว จะให้เธอจากพวกเราไปสมาชิกทุกคนในครอบครัวความตายเป็นสิ่งสาสคนที่ทุกคนไม่อาจจะเลเลี่ยงได้ฉันใดเธอก็ไม่อาจรักษาลมหายใจไว้ได้ฉันนั้นเธอมีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีกสี่วันในคือวันที่24บมกราคม 2-5 สี่เ้าเธอก็ได้จากทุกคนไปอย่างสงบงานชาวมารกิกศพของเธอได้ถูกจัดขึ้นแบบชาวพุทธอย่างสมบูรณ์แบบ มีการแสดงธรรมะขยายความเกี่ยวกับเรื่อง death is a part of life ในศาสนาของชาวพุทธว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ามกลางความมาทับใจของญาติสนิทผิดสหายชาวคีวี แ, และชาวเมเาลีที่มาร่วมงานถึงสองร้อยคน เรื่องราวของเธอเมลีผู้มีบุญก็จบลงเพี ย, ยงเท่านี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเ ต, นต้นของผมแล้วล่ะครับผมมีพี่น้องแปดคนเท่านั้นแปดคนเท่านั้นนี่ยืนยันว่าแปดคนเท่านั้นผมไม่รู้คนแรกที่แสนจนแต่น่ารักได้ไปหนุ่มผมเรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยผมต้อเป็นคนขยันนะ ไม่สียวบรีพอปิดเทอมใหญ่ผมถูกส่งตัวไปทำงานที่อูตเผา <c oughs> เมื่อมีรายได้ดีผมจึงออกจากการเรียนมาทำงานดีกว่า <c oughs> ขณะนั้นครอบครัวขาดความอบอุ่นผมก็ขาดความอบอุ่น <c oughs> จึงไฟหาสิ่งที่ขาดหายไป <c oughs> ผมมาสร้างความอบอุ่นด <c oughs> ้วยการมีแฟนคน <c oughs> แรก บ่งเล็บถึงเธออายุ16ปีแล้วบงโออายุได้21ปีแล้วเราก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเราอยู่ด้วยกันด้วยลูกชายอายุได้6ขวบ mm hmm. ก็ไม่เหตุทำให้ต้องแยกทางกันแล้วผมต้องไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย oh. และส่งเงินจากการทำงานทั้งหมดมาให้ทางบ้านผมทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีพอ oh. ผมกลับมาเยี่ยมบ้าน oh. ผมพบว่า เธอเปลี่ยนไปเธอมีแฟนใหม่ oh. ผมรู้สึกเศร้ามากแต่มาไม่นานักสวรค์ก็ได้เมตตาให้ผมแต่ประกาศสตรีอีกผู้หนึ่งเธอเป็นคนดีดีมากเป็นแม่สีเรือนที่หาได้ยาก mm hmm. ผมในอยากมีคนดีๆนะมาช่วยเลี้ยงลูก ม, มาเจอเธอก็รู้ว่า เธอคนนี้นี่แหละคือคนคนเดียวที่ผมรอคอยผมยังเสียงขอเธอแต่งงานซึ่งเธอก็โอเคผมมีลูกสาวก็เธอหนึ่งคนพายายาของผมนะครับซูเปอร์เพอร์เฟเธอรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกแจ้งผมที่เกิดกับแฟนคนแรกเสมือนเป็นลูกตัวเองระหว่างนั้นผมยังคงไปทา ง, งานที่ประเทศซาอุอยู่ ขณะที่ลูกสาวอยู่ที่4ขวบผมก็ได้พบกับผู้หญิงคนซึ่งเธอก็เป็นแฟนคนที่สามไไหนบอกเพียงคนเดียวนี่เพียงทีละคนมึง <c oughs> เราเจอกันในระหว่าที่ผมกลับมาฮอลิเดย์ที่เมืองไทย <c oughs> เจอปุ๊บก็ปิ๊งเลยซึ่ง ต, ตอนนั้นผมชอบเธอมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเธอจะนึกชอบผมบ้างหรือเปล่าเรได้ติดตากันประมาณ2ปี ต่อมาก็เศร้าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอก็เลิกครากันไปปีส5 3 3าสามามผมพาเข้ากรวยา้ามาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์โดยประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารไทยซึ่งประสบความสาเร็จจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สิบปีต่อมาผมก็ได้ฝันถึงแฟนคนที่สามที่เลิกลากันไปทั้งนั้นที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยมาสิบปีมผมอีอดอคิดถึงเธอไม่ได้ จึงไต่ตาไปแล้วก็ทราบว่าเธอก็ยังไม่มีครอบครัวผมก็เสี่ยงชวนเธอมาเที่ยวทีนิวซีแลนด์เธอตอบโอเคพ่อครับพ่าครั บ, บ, าารบทาไมทาไมผมจึงเสี่ยงชวนใครแล้วใครคนนั้นก็ตอบโอเควงเล็บผมยังบอกไม่หมดครับเพราะเขานั่งฟังอยู่ครับเนื่องจากมีกหลายคน ผมก็เป็นลูกชายกับเธออีกหนึ่งคนซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พระยาคนปัจจุบันนะ่ะทราบเรื่องโดยตลอดและเธอไม่ขาดข้นซูเปอร์เพอร์เฟเลย<อ>ผมเคยสวดมนต์ในที่ฐานว่าถ้าแฟนคนที่สามและลูกชายได้รับวีซ่ามาอยู่นิวซีแลนด์ได้ผมจะทำบุญหนึ่งล้านบาทและจะอธิษฐานวันลรว่ขึ้นก็จะได้รับข่าวดีทันทีว<อ>่าแฟนคนที่3มและลู ก, กรวมทั้งคุณแม่ของผม ได้รับวีซ่ า, าไปอยู่นีซีแลนด์แต่เนื่องจากความวุ่นวายทางธรรุรกิจทำให้ผมลืมเรื่องการทำบุญนำเงินไปลงทุนท ำ, ทำธรรุรกิจหนึ่งล้านบาทที่ตั้งใจงจะมาทำบุญพอทำธุรกิจสุดท้ายก็โดนโกงเห็นไหมมันต้องทำอตอมากันยายนปี48แฟนคนที่สามที่หอบลูกเหนียวจากบ้านต่อมาพนักงานที่ร้านอาหารก็ยกทีมกันลาออก ปัญหาทุกอย่างประดังคามาท้า้ผมมีความทุกข์มากจึงสแสวงหาที่พึ่งทางใจจนกระทั่งได้มาพบกับอดตใกรมิตรได้นำนำให้รู้จักสูตรปฏิบัติธรรมโอเรว่าและได้เมื่อเจอจา์ดาวธรรมเจึงครูมิยาก็รู้สึกว่าใช่เลยผมได้เจอสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้ผมพ้นทุกข์ได้ครับคุณพ่อผมมีคนจังหวัดอยุธยาเป็นคนจ่อระเบียบมาก มโหร้ายไม่ดื่มเลาไปสุบรีมีฐานะดีแต่มีภริยาหลายคนพัฒนาตาดีขยันนำมาหากินเก่งพูดพร ะ, ะเฉลียวฉลาดบุคลิกเป็นทีนา น, นับถือแม่ผมเป็นภริยาคนแรกที่ได้แต่งงานปัจจุบันคุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วมาอยู่ได้เจ็ดสิบสีดปียเรคมะเร็งที่ลำไส้คุณแม่เป็นชาวโคราดเงียบๆไม่ค่อยพูด ไม่เคยดูดาว่ากราวหรือตีรูปแม่แต่นิดเดียวคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อทั้งๆ ท, ท, ที่ท่านก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบเลยแต่ยอมแต่งเพราะคุณยายบังคับชีวิตคุณแม่ในสมัยที่แต่งคุณพ่อใหม่หมๆก็ช่วยกันสร้างฐานะกับคุณพ่อจนมีฐานะ16ปีต่อมาชีวิตแม่ก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะคุณพ่อไปมีภรรยา น, น้อย แล้วก็มีคดตีต้องขึ้น เ, าเราขึ้นศาลอีกเยอะแยะแต่คุณแม่ตรามใจมากฐานะทั้งบ้านก็แย่ลงเราจะให้คุณแม่มักจะมีอาการผีเข้าบ่อยๆมีอาการสั่นเหมือนผีเข้าพูดรเรียกชื่อคนโน้นคนนี้คุณตาเป็นหมอรักษาคนไข้ด้วยการเป่าบรรตาจึงเป่าพร้อมทําน้ํามนต์ให้แม่อาการก็หาย พอคุตาสินชีวิตแล้วคนแม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีใครเป่าหมอก็จะยาอะรงัปปราทมาปัจจุบันท่านอายุประมาณแปสิบสองปีคุณปู่แพทย์เป็นแพทย์แผนโบราณเสียชีวิตด้วยโรคจรามาอายุเก้าสิบปีคุณย่าเสียชีวิตด้วยวัณนนโรคมาอายุห้าสิบสี่ปีม่น่าเชื่อนะคุณปู่แพทย์แผนโบราณแต่รักษาคุณย่าไม่ได้แต่คุณปู่อายุเก้า ญาติจะห้บสี่คนตาเสียีวิเดรโรคชะามือายุเจสี่ปีแต่คุณญาติเสียีวิเดรโรคชะลาเมื่ออายุเก้าบสี่ปีเออสลับกันคําถามบุพกรรมได้สงรร่งผลให้เพื่อนชาวมอเรียงผมป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบุญไดบรนดานในเธอได้มาเจอพระอาจารย์และหมู่คณะในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ก้าสู่สมะรภูมิศึกชิงพบอย่างถูกหลักวิชา แล้วก็ได้จัดงานศพอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธผลบุญที่เธอสร้าง ร, รัฐมกภาพจํ า, ยาตัวและบุญอื่ น, นๆในวาระสุดท้ายด้วยตนเองด้วยความยากลําบากจะแตกต่างจากทรัพย์ที่ผู้อื่นทําให้อย่างไรครับบุญใดมาช่วยต่อ ย, ยุติเธอให้อยู่ได้อีกถึงสามสัปดาห์ครับก่อนตายเธอมีคตินิมิตอย่างไรเธอตายแล้วไปอยู่พบภูมิใด เธอได้มาร่วมพิธีศพของเธอหรือไม่ฝากบอกอะไรกับครอบครัวบ้างครับแล้วผมกัครอบครัวของเธอเคยผูกพันกันไปอย่างไรครับเพราะเหตุดการต่ายเพื่อนผมยิ่งทําให้ครอบครัวเมารีของสามีเธอสัตธานในพระพุทธศาสนาคุณพ่อมีกรรมใดยังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ตอนเสียชีวิตล้ไปอยู่พบภูมิใดได้รับบุญที่ผมที่ไปให้หรือไม่ คุณปู่ค น, นยากคณตายคณยายตายแล้วไปไหนผมทำบุญทิศไปให้ท่านท่านได้รับไหมครับตอนเด็กๆผมเนะี่ยเคยไปฉีระรารกระปุกใส่ปูนของคุณยายทำให้คุณยายตั้งทานหมากกับปัสสาวะของผมผสมแอมโมเนียยังไม่พอแถมยังเอาไปเลี้ยงแขกที่มารรักษาเราอีกด้วย ผมสงสัยนะครับไปจะตายผมมีวิบากกรรมไหมครับที่ผมเอาแอมโมเนียของผมผสมกับปูนของคยายอันไปรักษาคนไข้รับแขกด้วยแล้วผมจะแก้ไขยอย่างไรครับเพราะมันเป็นเรื่องค้างคาใจคุณแม่มีวิบากกรรมอะไรที่ถูกคุณพ่อทิ้งไปตั้งเลี้ยงลูกเองตามลําพังอีกทั้งยังมีการผีเข้าบ่อย <laughs> โตก็ทิ้งนั่นไปขนาดนี้ เกิดจากอะไรจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรครับวิบากกรรมใดของผมต้องมาเจอวิกฤตในชีวิตที่ประดังเข้ามาครั้งหนึ่งเอยสร้างกรีษัทพอสร้างเสร็จกระทุบทิ้งธุร ก, กิจถูกโกงนับล้านพนักงานร้า น, น, ารรานาหารลาออกยกทีมระยะคนที่สามก็หอบลูกหนีทั้งหมดที่โผลเข้าในชีวิตผมนี่เกิดจากกรรมใด จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างครับ mm hmm. ผมกับภรรยาทั้งสองคนนี mm ่ย hmm. คือคนที่สองกับคนที่สาม mm hmm. เคยประกอบเหตุกันมาอย่างไรจ mm hmm. ึงต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน mm hmm. ลูกทั้งสามคนติงตา ม, มางดารากันมาจากไหน mm hmm. ก็มาจากตัวลูกกนเลย mm hmm. ถามได้ mm hmm. และลูกชายคนแรกอะ mm hmm. ที่ ก, บ, กบแฟคนที่สาม จะมีผังบวชกับหลวงพ่อแต่แต่ยังยาวไวัยไหมครับแล้วผมควรทาอย่างไรถึงจะคลองเรือนได้อย่างถูกหลักวิชามีหน้ามาถามกลับดูสิบุรีกันได้ทุกคนอเอื้อเฟือ้อเป็นคนมีเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้ออาตมาเนี่ยเอื้อเฟือเ้อทั้งคนที่สองคนที่สามนะถ้าไม่มีเอื้อเฟื้อมันก็เหมือนเนื้อในป่า มีหน้ามาถามมีกองโดนยังไงถูกหลักวิชาการที่ผมถูกกงเงินไปหนึ่งล้านเป็นเพราะไม่ทําตามคํดิอาอธิษฐานหรือเปล่าครับจะมีโอกาสได้คืนไหมครับอ้าวต้องมาทําอีกล้านหนึ่งแต่ผมนําตามคํอาอธิษฐานนันทียังจะโดนกองหรือเปล่าครับอืมไม่ใช่ ค, คือไหนๆจะเสียทางกงให้มาเสียทางบุญจะดีกว่า เ, าเราได้บุญ นะจ๊ะแต่ถ้าทางโกงนั้นศูนย์ไปเลยถ้าเราาเสียทางบุญมันจะมีดอกเบีย้ยบุญทำให้เรามีทรับมากเพราะฉะนั้นซั์นี่เห็นไหมจ๊ะมันอยากจะมาแล้วมันอยากจะไปอยู่ตลอดเวลาแหละตัวผมในอดีตชาติเป็นอย่างไรครับไม่รู้รู้แต่ว่าปัจจุบันทำไมจึงมาเจอหมูคณะชัดก็รู้อยู่ก็ไปเจอคนนู้นคนนี้นะี่ บรปลางชีวิตผมจะมีผังบวชตลอดชีวิตไหมครับนะยังมีหนะธรรมะาไม่แน่นะ่าจจะบวชตั้งแปดสิบคื อ, ห ม, อหมดกำลังใจแนละ้วบวช ด, ดีกว่า <c oughs> เพราะชักกลัว <c oughs> ผมแล้วคนที่เป็นยา ก, กันวิที่ผมเคยร่วมบุญมากรหมูกก่คนณนะในรูปแบบใดครับจำ เ, เรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำ รับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมาขาวแล้วก็ น, นำมาไล่ฟังปณิยายปารัม b รากัญชาเพื่อนชาวเมารีป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องโลหิตนี่เราคงจำได้เกี่ยวกับเรื่องเงิ น, นงทองทั้งนั้นกงโกงการนอดีตเคยยักยอกทรัพย์สิน โดยในชาตินั้นได้เป็นนางกำนันของพระราชาองค์หนึง่งสมเขาจะยักย่อค่าใช้จ่ายบ่อยๆเช่นซื้อของกินของใช้เป็นต้นคือไปซื้อไอเงินเปตัวนี้แต่ยักไว้เท่านั้นแล้วไปซื้อจอีกเท่าที่เหลื อ, อกับกำรรได้เคยวางยาพิษนางกำนันอีกคนหนึง่งซึ่งเป็นคู่แข่งของตนจนตาย กรรมมาปฏาาิบาตินี้มารวมส่งผลใะ่รวมกับยักษ์ยอกทรัพย์สินนี่แหละ<อ>แต่เจอพระอาจารย์และหมู่คณะในช่วงสุดท้ายเราเคยสร้างบกนหมู่คณะมานานแล้วเมื่อหลายพุทธันดอนก่อนแต่ได้รู้จักหมู่คณะไปโดยการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะแต่บนเก่าที่เคยทําร่วมกันจึงทําให้มาเจอหมู่คณะในช่วงท้ายของชีวิต ผลบุญที่เธอทําในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยตนเองและด้วยความยากลําบากนั้นจะแตกต่างจากการที่ผู้อื่นทําให้คือเธอจะได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยบุญที่เธอทําด้วยตัวเองจ้ะแต่ถ้าจะมีส่วนในทรัพย์ซึ่งไม่เท่ากับบุญที่เธอทําด้วยตนเองจ้ะคือคนอื่นทําแทนให้เธอก็จะมีส่วนในทรัพย์แต่ถ้าทําด้วยตนเองก็เป็นใหญ่ในทรัพย์ เธออยู่ต่อมาได้อีกสามสัปดาห์เพราะบุญในปัจจุบันที่เธอทำได้ยืดอายุของเธอออกไปจ้ะก่อนตาเธอมีคตินิมิตสว่างเมื่อตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นในกลางวิมานทองของฉันดาวดึงเฟศสามด้วยบุญที่เธอทำในช่วงท้าวิจิตที่เรื่มใสในพระราตนารไรเป็นเทพที่ได้สุดสวยมีความสุขมากจ้ะเพราะนั้นเราจะเริ่มต้น ชีวิตโดยการอยู่ในครอบครัวนอกบุญญาเขตก็ตามแต่ต่อมาเราตัดสินใจได้ดิดวงตัวเองแล้วมาทำบุญในบุญญาเขต<ม>ก็ไปได้<ม>ไปสูงกว่านั้นได้<ม>เธอไม่ได้มาร่วมในพิธีศพของเธอตอนนี้เธอมีความสุขมากเป็นเทพธิดาสุดสวยกำลังนั่งยิ้มสวยปลื้มอยู่ และเธอรู้ว่าทิศเธอได้มาอยู่ตรงนี้เราะว่าเธอทาบุญในพระพุทธศาสนาในช่วงท้ายของชีวิต mm hmm. เธอฝากมาบอกกับทุกคนในครอบครัวไปสร้างบุญในพระพุทธศาสนาให้เต็มที่แล้วก็จะได้มามีความสุขแบบเธอในอดีก็เคยสร้างบนนุญด้วยกันกับตัวลูกก่อนที่จะหลุดไปจากหมูขคนนะและความเครื้อกูลในปัจจุบัน ย er ka, ิ่งทำให้ครอบครัวเมารีของสามีเธอศรัทธาในพระพุทธศาสนาจ้ะก็เคยสร้างบุญกับเจ้าของเคสขึ้นพ่อเสียชีวิต้วยมะเร็งลำไส้แระกรรมในอดีตเคยฆ่าสัตว์มหารฆ่าสัตว์เลี้ยงแขกเครือบ่อยๆเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะปฏิบัติตายแล้วก็ไปเป็นยักษ์ระดับปานกลางบนสวรรค์ันจะตุมมหาราชิกา ได้บุญที่ทำตามประเพณี ร, ร่วมกันศสยยัยมักกระดจ่ะแต่ละบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจะคนปู่ตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรได้บุญที่ช่วยรักษาคนและผูกใจใจผูกพันกับวิชาแบบแพทยแผนโบราณฉันเป็นหมอยาปนคาถาจะ ยาตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรอยู่ใกล้ๆกับคุณปูนี่ช่วยกันคุณตาตายแล้วก็เป็นวิทยาธรอยู่ใกล้คุณยายในป่าหิมพานทั้งทีมเลย oh. ทุกท่านได้รับบทเียที่ไปให้แล้วก็ทําให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะ oh. กำลังศึกษาวิชาวิทยาธรให้เข้มขลังขึ้น oh. ตอนเด็กตัวลูกเดิไปฉีรถก็ปลูกใส่ปูนของคุณยายทำให้คุณยายตั้งทานมากับปัสสาวะ แถมย่ำไเลี่ยงแข์ที่มารักษาโรคด้วยนั้นก็จะมีวิบากกรรมคือจะโดนอย่างนี้บ้างหรือจะโดนแบบต้องต้องมีเหตุให้ไปเจออย่างนี้มัง่งแล้วจะรู้รสชาติแล้วถ้าเกิดไปมีกรรมปฏิบัติด้วยก็จะทำให้เป็นโรคทางเดินปัสสาวะเป็นต้น จ, ะ, จะแก้ไขายะสังสมงบุญทบุญทั้งทงางศีลภาวนาให้มากๆ อธิษฐานจิต้ไปตัดอรณิบากรรมนี้จนตามไม่ทันจ้ะต้องศึกษาว่าเราควรจะไปชิ้งช่องที่ไหนคุณแม่ทุกคุณพ่อทิ้งไปต้องเลี้ยงลูกตามลำพังพระวิบากรรมกรรมเมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายก็ไเด็ทำกระไรอย่างนี้มาส่งผลจ้ะเป็นภาพในอดีตของตัวท่านจ้ะมีการผีเข้าบ่อยๆแล้วก็ไเคยนักถือทรงเจ้าข้ผี แล้วชอบดื่มสุราและเส้นสวงผีด้วยสุราถึงท้ายมียการทางประสาทดังกล่าวแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีผีใดมาเข้าจ้ะจะแก้ไขก็ทำบุญเยอะๆมาตอนท่านเป็นปกติกใกล้ท่านทำด้วยตัวเองทั้งทานศีลภาวนาจะทำให้ปกติให้ลูกทำบุญแทนท่านได้ใส่ชื่อทะราอธิษฐานจิตให้ท่านพ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะ ตัวลูกต้องมเจวิกฤตของชีวิตเช่นสร้างรีสอร์ทแล้วถูกทุบทิ้งธุรกิจถูกโกงนับล้านพนักงานร้านอาหารลาออกยกทีมระยะคนที่สามต้องหอบลูกหนีพระในอดีตทำบุญไม่สม่ำเสมอทำบุญตามอารมณ์บางทีก็ไม่มีอารมณ์ทำจึงทำพฤติกรรมต่างๆเช่นเคยโกงคนอื่นมาบ้างวินิจฉัยผิดพลาดในการทำธุรกิจบ้าง เคยทะเลาะ ก, กับคนที่เคยชวนเขามาทําบุญกับหมู่คณะจนทําให้เขาหาวิจากขมูคณะบ้าง<อ>ในในอดีตที่ผ่านมานำมาส่งผลจ้ะ<อ>ส่วนภรรยาคนที่สามต้องหอบลูกหนีแล้วกับในอดีตก็เคยทะเลาะกันแล้วก็พาลูกหนีไปใกล้ยปัจจุบันนี้นะ<อ>เป็นผังเก่าจ้ะ<อ>จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้ ม, มากๆบุญนี้ก็จะได้ไปตัดร่อนวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะ ส่วนปัญหามีก็ค่อยๆแก้กันไปงานก็นทําไปสมาธิภาวนาก็นั่งไปบุญก็สร้างไปจ้าแต่ลูกลรับภรรยาคนที่สองและคนที่สมต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะทั้งสองคนเคยเป็นภรรยาของตัวลูกมาก่อนและเคยทําบุญร่วมกันในยุคที่สา ม, มีมีภรรยาหลายคนได้จ้ะเขายอมรับกันในยุคนั้น นี่ขบยามจะเข็นกฎหมายให้มีปริยาหลายคนได้ถูกกฎหมายมันแปลกดีนะลูกศิษย์สามคนแต่ต่างมารดากันก่อนมาเกิดก็มาแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นที่สว่างทุกคนจะแต่สว่างแตกต่างกั น, กนกวิชาคนแรกให้ไปเข้าประคองอยู่ในบุญไปก่อนวัเรียนจบแล้วค่อยมาบวชในภายหลังจ้ะจะครองเรือนให้ถูกหลักวิชาและกับฤรธิุตรสิบรีได้ทุกคนนั้น ก็ต้องให้มีเป้าหมายชีวิตที่เกิดระสร้างบารมีแล้วก็จักชวนทกคนก็ได้ทำทานรักษาศีเลเจริญภาวนาตามหลักวิชาที่ได้แนะนำให้สม่ำเสมอจนเห็นดวงใสๆองค์พระใสๆภายในจะได้ประคองตัวเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะการที่ตัวลูกถูกโกงเงินไปหนึ่งล้านบาทนั้นก็เพราะไม่ได้ทำตามคา อ, อธิษฐานที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดี จิงทำให้กรรมเก่าจะเคยโกงผู้อื่นแอดีได้ช่องมาส่งผลให้โดนโกงบ้างจ้ะแต่ถ้าได้ทําตามคำอฏษษษษษษษษิฐานดังกลาา่าวก็จะแทบทำให้กรรมจะเคยไปโกงเขาไม่ได้ช่องส่งผลหรือได้ช่องกันน้อยคือหนักเป็นเบาแต่ทรัพย์ก้อนนั้นก็จะเป็นบุญแล้วก็ส่งผลได้มีสมบัติต่อไปในอนาคตตัวลูกยสร้างบารมีมากะหมูคณะ แต่เป็นกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์อีกทั้งเวลาจะทำบุญอะไรก็จะตัดสินใจช้าจะทำดีไม่ดีคิดดูก่อนขอคิดก่อนนี่พะจะทำกับลังเลอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือทำบุญอะไรแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานจิตกากัดไว้ไห้มาเจอหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงทำให้มาเจอหมู่คณะช้าตัวลูกก็มีบุญบวชช่วงสั้นในอดีตมา ส่วนในปัจจุบันกันแล้วแต่ตัวลูกเองเนะี่ยถ้าบวชแล้วไม่ศึกก็บวชยาวได้ถ้าบวชแล้วศึกก็บวชสัน้นถ้าเคลียร์ปัญหาทุกอย่างลงตัวแล้วก็สามารถบวชได้ส่วนจะตลอดชีวิตหรือไม่ก็ตัางแล้วแต่ใจของลูกทําไมศึกก็บวชได้ตลอดชีวิต ค, คนที่เป็นอริเบียเท่ากับตัวลูกกัเป็นข้เวเสบียงเช่นเดียวกันจ้าชาตจจนี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบา ร, รมีให้เต็มที่ในทุกบุญ และติดฐานจิตตามติดเป็นดูสิตบุรีวงบรมวิคเศษเขตบ ร, รมโพธิสัตว์ย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุน<า>ี้ก็เป็นเรื่องราวของเคสัตตีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้